จเจริญอนารท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้ามาหาพระศาสนา เพราะรู้ว่ า, าศาสนานั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเร า, าศาสนาเปรียบเหมือนกับหางเสือของเรือหรือพวงมาลัยของรถยนต์ถ้าเรือไม่มีหางเสือถ้ารถไม่มีพวงมาลัยย่อมไม่สามารถที่จะพาเรือหรือพารถ ให้ไปในทิศทางที่ต้องการจะไปได้เพราะไม่มีอะไรที่จะบังคับเรือหรือบังคับรถยนต์ให้ไปตามคำสั่งของผู้ขับนั่นเองฉันใดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าชีวิตของเราไม่มีภาษาศาสนาก็เหมือนกับไม่มีพวงมาลัย ไม่มีหางเสือไว้กำหนดชีวิตของเราให้ไปในทิศทางที่เราปรารถนากันพวกเราทุกคนล้วนปรารถนาความสุขและความเจริญปรารถนาความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆแต่ทำไมชีวิตของเราจึงไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเรา นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีศาสนาหรือมีแต่ก็มีไม่มากพอยังไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความปรารถนาของเราได้เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาให้มากขึ้นศึกษาให้มากแล้วก็ปฏิบัติให้มากเมื่อเราศึกษามากปฏิบัติมาก เราก็จะรู้มากเราก็จะมีกำลังมากที่จะพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่เราต้องการกันแต่ทุกวันนี้เรายังมีพระศาสนาไม่มากพออยู่ภายในใจของเราเราถูกอำนาจของฝ่ายตรงกันข้ามคือกิเลสความเศร้าหมอง ตระหนหาความอยากต่างๆเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความวุ่นวายใจทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่เมื่อเราทำเหตุแล้วผลย่อมตามมาแน่นอน ก็คือก า, ารกระทําต่างๆของเราถ้าเราทําตามที่ศาสนาสั่งสอนผลก็จะเป็นผลที่ดีคือความสุขและความเจริญถ้าเราทําตามกิเลสทำตามความโลภความโกรธความหลงทําตามตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะพาเราไปสู่ความวุ่นวายใจ อย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ชีวิตของเราส่วนใหญ่จะทำไปตามความโลภความโกรธความหลงทำตามความอยากต่างๆชีวิตของเราจึงคุกค้าไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจผสมกับความสุขเล็กๆน้อยๆพอไม่ให้ถึงกับเบื่อหน่ายในชีวิตจนถึงกับ ต้องปิดชีพของตนเองไปแต่ในบางครั้งบางเวลาความทุกข์ความวุ่นวายใจก็อาจจะมีมากและความสุขแทบจะไม่มีเหลือเลยตอนนั้นชีวิตก็จะไม่มีความหมายอะไรไม่มีความอยากที่จะอยู่อีกต่อไปนั่นคือเรื่องของคนที่ฆ่าตัวตาย เป็นอย่างนั้นเพราะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขและความเจริญมัวแต่ไปสร้างเหตุที่เกิดจะที่ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นเองเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา ศึกษาพรอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถ่องแท้ให้รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรบ้างเราไม่ควรที่จะทําอะไรบ้างเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงผ่านมาแล้วทั้งเหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีคือการกระทําที่ดีและการกระทําที่ไม่ดีทรงได้รับผลของเหตุที่ดี และได้รับผลของเหตุที่ไม่ดีมาแล้วจนจนสามารถที่จะแยกแยะดีชั่วได้สุขทุกข์ได้และสามารถทำแต่เหตุที่ดีทำให้มีแต่ความสุขและความเจริญสามารถกาจัดหรือละการกระทำที่ไม่ดี ได้จนหมดสิ้นไปในพระไถยของพระองค์ยังมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลามีแต่ความเจริญอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีแล้วก็ทรงนำเอามาถวยแผ่นํำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ยัง <c oughs> มีความมืดบอดที่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไร เป็นโทษอะไรเป็นคุณและเมื่อมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปศึกษานำเอาไปปฏิบัติก็สามารถพบกับความสุขและความเจริญเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> เป็นคำสอนที่ <c oughs> ไม่ สมวนลิกสิทธ์คือผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถได้ผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าเพียงเดียวใครนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้เช่นเดียวกันเราจึง <c oughs> ควรที่จะฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยเพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้อ่านอยู่เรื่อยเราจะได้ยินได้ฟัง <c oughs> เรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดีเราจะได้ทําให้มันปรากฏขึ้นมาเรื่องที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงลดละอย่าไปทํามันเท่านี้แหละผล ก็จะเป็น <c oughs> สิ่งที่ต่างมาคือความสุขและความเจริญห่างไกลจากทุกจากความวุ่นวายทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปที่เรากราบว่าไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปที่เราห้อยไว้ที่คอของเราเพราะพระพุทธรูปนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง เป็นรูปเหมือนรูปแทนพระพุทธเจ้าในพระพุทธรูปนั้นไม่มีความวิเศษอะไรไม่สามารถโดนบันดาลให้เราพบกับความสุขพบกับความเจริญได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราลำลึกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านสั่งสอนพวกเราอย่างไรนี่ต่างหากคือความวิเศษของพระพุทธรูปอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรามีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านหรือเรามีพระที่เราห้อยไว้ที่คอของเรา เราก็จะได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆที่ทรงสอนให้เราทำแต่ความดีให้เราละการกระทำที่ไม่ดีละการกระทำบาป ก, กรรมทั้งหลายนั่นเองนี่คือความวิเศษของพระพุทธรูปหรือพระที่เราห้อยคออยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ที่เป็นเครื่องเตือนใจเรา เป็นเหมือนเพื่อนที่จะคอยกระซิบกระซาบอยู่ในใจเราเสมอทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเราควรที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบ ว, ว่าเรากำลังทำตามคำสอนหรือไม่ถ้าเราทำตามคำสอนเราก็สบายใจได้เราจะได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ทำตามคำสอน ก็ขอให้รู้ไว้ว่าเรากำลังกาลังจะรับผลที่เราไม่ปรารถนากันอยู่ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การกระทําของเราการของทำการกระทาของเราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทานั้นมันดีหรือชั่วหรือไม่นั่นเอง ถ้าเรารู้ถ้าเป็นความดีเราก็จะทํามันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความชั่วเราก็จะไม่ทํามันแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่ความจริงมันไม่ดีก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้เราคิดว่ามันดี แต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีชีวิตของเราจึงได้รับผลที่ไม่ดีอยู่มาโดยตลอดดังนั้นเราจึงควรที่จะสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาว่าอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ดีไม่ควรที่จะทำท่านก็สอนว่าการกระทาบาปนี้ไม่ดี เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดโปรวนีการพูดปดการเสพสุรายาหมาการกระทำเหล่านี้ทำไปแล้วจะเป็นโทษกับเรามากกว่าเป็นคุณกับเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีทันใด มันอาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยกว่าผลที่มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราต้องได้ทุกขกับมันเพราะว่าการกระทำบางอย่างนี้บางทีมันไม่ได้ส่งผลขึ้นมาทันทีหรือมันส่งผลขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลเช่นเวลาเราทำอะไรไม่ดีใจของเราจะรู้สึกไม่สบายใจ แต่เราจะไม่ค่อยรู้ว่าเราไม่สบายใจเพราะเราไม่ค่อยได้ดูใจของเราเรามักจะดูสิ่งภายนอกเช่นเราทําอะไรถูกใจเราเวลากโกรธใครเราก็ไปทุบทําร้ายเขาเราก็รู้สึกพอใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็เริ่มมีความไม่สบายใจตามมาเสียใจตามมา แต่เราจะมองไม่เห็นส่วนนั้นเราจะเห็นส่วนที่เราดีใจที่เราได้ทำตามที่เราต้องการจะทำเราอยากจะได้อะไรเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริจเราก็ไปหามาด้วยการลักขโมยเวลาเราได้มาเราก็ดีอกดีใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความทุกข์มีความกังวลใจ เหมือนกันส่วนไม่ดีเรามักจะมองไม่เห็นส่วนดีเราจะเห็นแต่ส่วนที่เราคิดว่าดีแต่มันก็ดีเพียงชั่วขณะที่เราได้มาเท่านั้นเองพอเราได้มาแล้วความดีใจนั้นมันก็หมดไปทีนี้ก็จะมีแต่ความไม่สบายใจความกังวลใจอยู่ซ่อนอยู่ภายในใจของเราและมันก็จะเป็น สะสมเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไปจะทําให้เราทําอย่างนี้มากขึ้นเราเคยรักขโมยมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเราก็จะลักขโมยอีกเพราะเราคิดว่าครั้งที่แล้วเราทําได้ครั้งนี้เราก็ทําได้อีกไม่มีใครจับเราได้แต่เมื่อเราทําไปบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้า ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับได้เมื่อถูกจับแล้วก็ต้องถูกประจานถูกจับไปลงโทษต้องไปอยู่ในคุกในตารางผลมันตามมาช้าหน่อยแต่มันตามมาแน่นอนเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงต้องคอยสอนคอยเตือนเราอย่าไปทำนอกจากการกระทาบากนี้แล้ว สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบาปก็คืออบายามุกทั้งหลายก็ไม่ควรจะทำเช่นเดียวกันเพราะอบายามุกจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปต่อไปอะไรคืออบายามุกอบายแปลว่าสภาพเสื่อมโทรของจิตใจมุกก็คือประตูหรือทางเข้าสู่ความเสื่อมโทรงของจิตใจมีอะไรบ้าง ก็มีการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดครางนี่คือการกระทาที่เป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียต่อไปเพราะการกระทาเหล่านี้ไม่ได้มี ไม่ได้สร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ให้แก่คู่กระทาเช่นการเที่ยวกลางคืนนี้มีแต่การเสียเงินเสียทองเสียเวลาหลับนอนพักผ่อนพอถึงเวลาที่ต้องตื่นไปทางานก็ตื่นไม่ไหวก็จะต้องเสียงานเสียการถ้าเสียงานเสียการบ่อยๆเข้าก็จะต้องถูกเขาไล่ออกจากงานไป ก็จะไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้แต่ยังมีความอยากเที่ยวอยู่ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีอื่นไปช่อโกงหรือคิดว่าไปเสี่ยงกับการเล่นการพนันเพื่อจะได้เงินมามากๆไว้ไปเที่ยวเวลาได้ก็ใช้เงินก็เอาเงินนี้มาใช้ไปพอเสียก็เป็นหนี้เป็นศิน ไม่มีเงินใช้หนี้ใช้สินเขาก็ต้องคอยหลบหลีกหรือถ้าจะหาเงินมาใช้หนี้ก็ต้องไปไปลักไปขโมยไปปล้นธนาคารและในที่สุดก็ต้องต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกตำรวจจับไปบ้างหรือถูกตำรวจยิงตายไปบ้างนี่ก็คือการกระทาที่ เราต้องระมัดระวังอย่าไปเข้าใกล้เพราะมันไม่ได้เป็นทถถางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญนั่นเองความสุขและความเจริญนั้นต้องอยู่ที่การอยู่แบบมัธยัตประหยัดอยู่แบบนักน้อยสันโดษอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทอง ด้วยวิธีที่สุจริตเวลาได้เงินมา <c oughs> ก็ให้ให้เก็บให้ออมไว้อย่าเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุรา่ายอย่าเอาไปเล่นการพนันอย่าเอาไปเสพสุรายาเมาอย่าเอาไปเที่ยวกลางคืนเพราะจะเสียเงินเสียทองไปอย่างรวดเร็วหาเงินมาเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้แต่ถ้า เอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ซื้ออาหารเวลบประทานซื้อบ้านรู้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเราก็จะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้ถ้ามีมากพอก็เอาไปลงทุนเอาไปทามาค้าขาย เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทำไปอย่างนี้ไม่กี่ปีก็จะมีเงินทองเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทาของเราอย่าทำอะไรด้วยความอยากด้วยความโลภด้วยอารมณ์เห็นอะไรสวยอยากได้ก็ซื้อมา โดยไม่ได้คิดเลยว่าซื้อมาทําไมมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อมันมาหรือเปล่าบางทีเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะได้มาแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเสื้อผ้าที่มีอยู่ไม่พอใส่หรืออย่างไรรองเท้าที่มีอยู่ไม่พอใส่หรืออย่างไรถ้าเราถามตัวเองสักหน่อยแล้ว <c oughs> เราก็จะสามารถระ ง, งับดับ อารมณ์ได้อารมณ์นี้เป็นของหลอกมันไม่ใช่เป็นของจริงเห็นอะไรพอถูกเนื้อต้องใจชอบ อ, อกชอบใจก็อยากได้ขึ้นมา ท, าทันทีและพอได้มาแล้วมันก็หมดความหมายไปพอไปเห็นสิ่งอื่นขึ้นมาใหม่ก็เกิดอารมณ์อยากได้ขึ้นมาใหม่อีกคนที่ซื้อของใช้เงินใช้ทองตามอารมณ์นั้นมักจะ ไม่มีปัญญาที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ได้จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเวลาอยากได้อะไรจะใช้เหตุผลจะถามตนเองเสมอว่าจำเป็นหรือไม่ขาดแคลนหรือไม่ ต้องมีหรือไม่ถ้ามีถ้าไม่มีแล้วตายหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเอามาเวลาอยากจะไปเที่ยวถามตัวเองว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่เที่ยวแล้วจะตายหรือไม่เวลาเที่ยวแล้วเสียเงินหรือได้เงินมาถามตัวเองถ้าเสียเงินแล้วไปทำไม เก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ดีกว่าหรือเพราะชีวิตของเรายังต้องอาศัยเงินอาศัยทองอยู่ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะหาเงินทองได้อย่างที่เราหาในวันนี้หรือไม่ถ้าเราหาไม่ได้แต่เรามีเงินเก็บไว้เราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราใช้เงินทุกบททุกบาทที่เราไ่อยู่ไปตามความอยากของเรา อยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากเที่ยวเราก็ไปเที่ยวอยากดื่มสุราเราก็ซื้อมาดื่มต่อไปเวลาที่เราไม่มีไรายได้เราจะพึ่งอะไรเราก็จะอดอยากขาดแคลนอยู่อย่างลำบากลำบน <c oughs> และอาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปนี่คือเรื่องของคําสอนของพระศาสนา สอนพวกเราให้เห็นทางสว่างเห็นทางที่จะไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองหรือการได้ทำอะไรตามอารมณ์ตามความอยากของเราแต่ความอยากแต่ความสุขของเรานั้นอยู่ที่ใจที่มีความสงบ อยู่ที่วาอยู่ที่ใจที่มีความสบายไม่วิตกไม่กังวลถ้าเรามีเงินพอเพียงไว้สำหรับดูแลปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพของเราแล้วเราก็จะตัดความวิตกความกังวลได้อย่างได้ได้หมดเลยและเราก็จะมีเวลาที่เราจะมาหาความสุข ที่แท้จริงของเราคือการทำใจของเราให้สงบอยู่เรื่อยๆเพราะนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความสงบถ้าใจเราไม่สงบต่อให้เรามีอะไรมากเพียงไรก็ตามใจของเราก็จะหาความสุขไม่ได้ยิ่งมีความความอยากหรือความโลภมากเท่าไหร่ความสงบ ก, ก็จะ มีน้อยลงไปเท่านั้นเวลาอยากแล้วใจของเราก็จะจะแกว่งไปแกว่งมาจะดิ้นรนจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องไปหามาให้ได้พอหามาได้แล้วก็หยุดดิ้นรนอยู่สักระยะหนึ่งต่อไปไม่นานมันก็จะดิ้นขึ้นมาอีกเพราะมันติดเป็นนิสัยพออยู่เฉยๆแล้วรู้สึกหนุดหงิดลำคาญใจ ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้ใจสงบสบายอย่างถาวรคความจริงแล้ววิธีที่จะทำใจของเราให้สงบให้สบายอย่างถาวร น, นั้นอยู่ที่การฝืนความอยากต่างๆฝืนความโลภต่างๆเวลาอยากได้อะไรเวลา อยากจะไปเที่ยวที่ไหนให้เราใช้เหตุผลแล้วเราแล้วใช้ความอดทนอดกลั้นอย่าไปทำตามความอยากตอนที่ต่อสู้กันก็จะรู้สึกทรมานบ้างเป็นธรรมดาเราก็มีวิธีมีอุบายเช่นพระพุทธเจ้าส อ, สอนให้เราฝึกทำสมาธิเวลาที่ใจของเราอยากไปเที่ยวอยากจะซื้อ ของที่ไม่จำเป็นก็ให้เราทำใจให้สงบด้วยการล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจให้บริกรรมอยู่กับคำพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆไม่ให้ใจมีโอกาสได้ไปคิดถึงความอยากเที่ยวคิดถึงความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วไม่นานความอยากก็จะหายไปพอความอยากหายไปแล้วความสงบก็จะกลับมาความสบายใจก็จะกลับมาทุกครั้งที่เราอยากเราก็ใช้พุโทโธนี้กำจัดความอยากไปไม่นานต่อไปความอยากต่างๆก็จะเบาบางลงไปน้อยลงไปและหมดไปในที่สุด เมื่อไม่มีความอยากแล้วเราจะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากความสบายใจความอยากความโลภนี่แหละเป็นตัวที่ไปกระตุ้นทำให้ใจต้องดิ้นรนกอดแกงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักพอต่อให้ได้มามากน้อยเพียงลอยก็ตาม ก็จะไม่พบกับคาว่าพอถ้าไม่มีคำว่าพอแล้วก็จะไม่มีคำว่าสงบคำว่าสุขอยู่ภายในใจตายไปแล้วก็ยังต้องไปไปหาใหมอ่อีกเพราะใจไม่หยุดนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้หยุดได้แล้วถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยก็ตาม เราจะไม่เดือดร้อนจะเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายจะไม่หิวไม่อยากคนต่างกับคนที่มีความอยากถึงแม้จะมีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ยังหิวยังอยากยังต้องการอยู่เพราะความหิวความอยากนี้มันอยู่ในใจมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราเบรกมัน ดึงมันไว้ด้วยกำลังของสมาธินี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องสอนให้เราทำสมาธิกันอย่าไปคิดว่าการทำสมาธินี้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราได้นั้นมันมีคุณมีประโยชน์มากกว่าการไปแสวงหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเราเพราะ เราหามาได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่ถ้าเรานั่งทําสมาธิได้เอาชนะความอยากได้จนอยู่เฉยๆได้แล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสบายเราจะมีความปลอดภัยเพราะเมื่อเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงภัยกับสิ่งต่างๆภายนอก คนที่ยังต้องออกไปเพราะมีความอยากอยู่พอออกไปนอกบ้านก็ต้องไปเสี่ยงภัยต่างๆนั่งรถก็ต้องเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุนั่งเรือบินก็ต้องเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุทางของเรือบินไปทำอะไรก็อาจจะต้องเสี่ยงภัยกับมิจฉาชีพทั้งหลายที่คอยปองร้ายถ้าอยู่บ้านก็จะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุข เราจึงควรให้ความสนใจต่อการกำจัดความโลภความอยากต่างๆอย่าปล่อยให้มันพาเราไปมันพาเรามาจนถึงบัดนี้แล้วถามตัวเราเองบ้างสิว่าเราได้อะไรบ้างจากการนำพาของความโลภของความอยากก็มีแต่ความหิวความต้องการนี่แหละที่มันมอบให้กับเราอยู่ตลอดเวลา มันไม่เคยมอบความอิ่มความพอให้กับเราเลยทำไมเราไม่ลองทำอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาบ้างพระพุทธเจ้าได้ต่อสู้ได้ย้ำยั้งความโลภความอยากต่างๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัย อยู่อย่างประเสริฐอยู่อย่างน่าเคารพ บ, บูชาเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีแต่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือสัตร์โลกให้ได้พบกับความสุขให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ากา ม, กมาเป็นจำนวนมากแล้วนี่คือวิถีทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ คือการหาความสุขภายในไม่หาความสุขภายนอกไม่หาเงินทองลาบยศสรรเสริญแต่ให้หาความสงบที่เกิดจากการทำความดีที่เกิดจากการละการกระทาบาปและที่เกิดจากการทำสมาธิทำจิตใจให้สงบนี่แหละคือคือพวงมาลัย ของชีวิตของพวกเราหรือหางเสือของชีวิตของพวกเราก็คือการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทําตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ได้กระทํามาวิถีอื่นไม่ใช่ทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญการกระทําที่เราดําเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่สามารถทําให้เราไปสู่กับความสุขความเจริญได้ จึงขอให้พวกเราพยายามน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพทจเจ้ามาเป็นพวงมาลัยมาเป็นหางเสือไว้คอยกบกับชีวิตของเราเพื่อประโยชน์สุขที่พวกเราทุกคนปรารถนาจะได้เป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้